ก็เป็นเรื่องของตู้กตาตัวที่สองนะคะเพราะว่าพระราชาผ่านนะเรื่องแรกคุณธรรมข้อแรกนะคะคพอยระบานขึ้นเหยียบศรรีรษะตู้กตาตัวที่อ2อ ค, คือคุณชิวิคัเชื่อช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปีที่จะถึงเนี่ยปี2 5งพันีเนี่นะคะเป็นปีทีเรียกว่ า, าปีจอซึ่งทางดวงจีนเนี่ยเมื่อตรวจดูแล้วเนี่ยเหมือนกับคนแรงน้ำใจ นะคะคนจะแลน้ําใจมากขึ้นหันไปหาวัตถุมากขึ้นแข่งแย่งจริงดีในการที่จ ะ, ะเรียกว่าเรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่างๆะคือทุกวันนี้ผมว่ามันก็มากอยู่แล้วนี่ย ม, มันจะมากกว่าเดิมอีกเป็นหมายความว่าด้านจิตใจเนี่ยจะมีการอบรมบ่มจิตน้อยลงวัตถุภายนอกจะมีความสําคัญมากขึ้นแต่ถ้าหากฟังเรื่องตุ๊กตาตัวที่2นะคะทุกท่านนะคะที่เปิดฟังแล้วก็ไม่หมุนไปขึ้่นอื่นก่อนหลังจากฟังเขาเสร็จเนี่ยนะคะจะชอบมาก ะะแล้วก็ถ้าไม่จบวันนี้พรุ่งนี้ต่อในเรื่องตุกตาตัวที่2เ<น>ก <ะ S 1> ิ่นอย่างนี้ท่านจะได้หมุนกลับมาฟังหม่นะคะตุกตามานันีเนี่ยก็กล่าวทักทธอทดทวงนะคะว่าโอ้อารียาบุ <c oughs> ขอ้อทรงลำลึกสักนิดว่าพระองค์ทรงคุณธรรมล้ำเลิศเสมอด้วยพระเจ้าวิก ร, รมาทิตย์แห่งอุชยินีแล้วหรือถ้าจะเสด็จผ่านได้โปรสดสลเรื่องราวของเท้าเธอไว้เป็นอนุสติสักหน่อยเถอ พระราชาก็ตรัสด้วยเสียงนุ่มนวลเล่าไปเธอตัวกตาตัวที่สองก็เล่าเรื่องถวายพระปิ่นทาราในอภิริการนานลึกดึกดำบรรนานลึกดึกดำบรรคุขนจุยุทธจำไว้เล่าลิขานิย้เด็กๆฟังมันลึกแล้วก็ดึกแล้วก็ดำบรรท์เก่าจริงๆนะคะครั้งหนึ่งพระราชาวิกรมาทิตได้จัดเรียกราชเสวะกะหนุ่มๆหมายถึงอมา์หนุ่มๆนะคะผู้ชารฉลาดก็มาเฝ้าไปอันมาก แล้วก็ตรัสแกบุคคลเหล่านั้นว่านี่แน่เจ้าที่เป็นคนสนิทของข้าข้ามีงานจะใช้เจ้าอย่างหนึ่งเจ้าจงเป็นสายลับของข้าออกเที่ยวไปทั่วโลกจงสืบดูว่าเมื่อเจ้าไปถึงที่ใดได้พบสิ่งแปลกประราดอันใดจงรีบกลับมาแจ้งแก่ข้าข้าก็จะได้ออกไปดูเวลาผ่านไม่ถึงข้ามปีนะคะครับไม่ถึงข้ามปีก็ห้เดือน6เดือน เซฟกับผูหนึ่งก็กลับมากรุบทุลรายงานว่ามหาราชะเมื่อค้าพระบาทเดินทางไปถึงป่าอันงด ง, งามเจงเขาจิตตกูซึ่งต้องบอกว่าเขาจิตตกูนี้อยู่ประมาณในแควราชกฤ์นะคะใกล้ๆกันข้าพระบาทได้เห็นสถานที่อันคุนแก่การบัมเพนตะบะมีเทวรูปพระแม่เจ้าจันทีสถิตอยู่ที่นั่นด้วยบนยอดเขามีท่า น, น้ําตกอันบริสุทธิ์หลายพรางปรูมีขาสายใครไม่เคยเห็นไปดูภราตายุด โอ้วิวสวยจริงๆเลยนะน้องเรื่องเลยนะผู้ใดได้สงสารในกระแสสินนั้นแล้วก็จะถึงซึ่งบุญอันประเสริฐบรรดาบาปกรรมทั้งหลายก็เสื่อมสลายมาลายไปสิน้นโอ้พระปิ่นปัตตทิวีปิ่นของแผ่นดินนะคะปัตทวีนี่เป็นภาษาสุสกฤตแปลว่าแผ่นดินอย่างไรก็ดีแม้แต่คนชั่วร้ายโดยกระมนลสันดานถ้าว่าได้อาบน้นํานี้สายน้ําที่หลังลงบนล่างของเขาก็จะมีสีดำไหลปอนออกมา แล้วก็จะกลายเป็นคนประพฤติดีประพฤติชอบตั้งแต่บัดนั้นครับถ้าพวกเราได้มีโอกาสไปอาบน้ำ า, านะัฮะน้ำ น, นั้นคงเป็นสีดำไปทั้งสายครับข้าแต่พระภูบ ด, ดีมีสิ่งที่แปลกกว่านั้นอีกมีพรามผู้หนึ่งบำเพ็ญยันยะกรรมอยู่ด้วยความเพียรเข้ากระทำการสังเวยพระแม่ทุราคาเทวีในกองกูลกองกูลกักองไฟครับทุกวันน า, น, น, า น, นานเข้ากระตักขี้เท้าจากลุมพรีนั้น ออกหลุมพีนี่นะออกไปเททิ้งตอนนี้เนี่ยที่เท่าเนี่ยสะสมสูงเท่าภูเขา<ะ>สูงขนาดไหนนะคะค<ะ>ลาดพลีงานขนาดไหนแต่พราหมณ์ก็ไม่เลิกที่จะสังเวยที่ประหลาดคือพราหมณ์ผู้นั้นไม่ยอมพูดกับใครเลย<ะ>นี่แหละพระเจ้าค่ะคือเรื่องประหลาดที่แค่พระบาทได้พบเห็นมาเมื่อทรงได้ฟังดังนี้พระราชาวิก ร, รมาทิตติก็มีพระทัยตื่นเต้นตรัดให้เสวะกะผู้นำข่าวรีบนำพระองค์ไปยังที่นั้นทันที เมื่อพระราชาไปถึงกระทอดพระเนตรเห็นว่านาไรแปลว่าป่าครับอันงามประการตาถึงกับเบิกพระเนตรด้วยความอัศจรรย์ทรงบูชาว่าโอ้ที่นี่ช่างงามบริสุทธิ์แค่นี้ก็ไรเล่ากับองค์พระโรคมาตาสเสด็จมาประทับอยู่เพียงแต่ได้เห็นภูมิมณฑนนี้ใจของข้าก็ถูกชำระให้บริสุทธิ์ซะแล้วตัดแล้วก็ลงทรงอาบน้ำํำนะทรงณหาหนากิจแปล ว, ว่าอาบน้ํา โดยใช้อากาศต่างกระแสศินนมัศการเทพยดาทั้งปวงจากนั้นเสด็จไปยังคือลักษณะาอาบน้ําโดยกระแสอากาศในการคลองผ้านะคะคองผ้าใหม่จากนั้นเสด็จไปยังที่พราหมณ์นั่งทำพีกา ร, รอยู่ตรัสถามว่าข้าแต่มหาพราหมณ์ท่านประกอบยันญาพิธีนี้มานานเท่าไหร่แล้วพราหมณ์ทูลตอบว่าราชะข้ากระทํายันญาพิธีมานานแล้วคุณจะคะเริ่มต้นเมื่อไหร่ดูไหมคะครับตั้งแต่ตอนที่ดาว สัปตะฤษีคือดาวจัลเกะเจ็ดดวงนะคะถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็สัปตะภาษาไอภาษาบาลีนี่สัปตะภาษาสันสกฤตก็สัปตะคือดาวจัเกะ็ดวงเนี่ยโคจรใกล้กลุ่มดาวเรวดีเรวดีนี่ก็อยู่ราศีมีนครับนะคะบัดนี้เข้าสู่ดาวอัศวินีแล้วเรวดีนี่สมโนเนี่ยอยู่ในฤกษ์สมโนค่ะตอนนั้นดาวจัลเกะคะครับ ดาวโาริคูจอนช้ามากกับาจุด<ะ>โครจรจากกลุ่มดาวเรวดีเข้าสู่อัสวินีเนี่ยร้อปีนะดาวโาร์แคทิคูลรอปีข้าตั้งหน้าตั้งตากระทํายันยะมาโดยตลอดไม่มีอะไราขาดตกบกพร่องแต่พระแม่เจ้าธุรคาเทวีก็ไม่ได้พอพระไทยที่สเสด็จมาประทานพรแก่ข้าเลยเกิ ค, ความเชื่อของฮินดูนะคะต้องบำเพ็ญตะบะให้เทวดาพอใจ ได้ฟังดังนั้นพระราชาก็เสด็จมาในมัสการประเทวีกระทาพิีกรรมวงสวงบูชากูลตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้เสด็จพระเจ้ากรุงอุทยินีทรงรําพึงว่าถ้ากันนั้นต้องวงสวงพระองค์ด้วยศีรษะของข้าเองคิดแล้วพระราชาก็ถอดพระแสงดาวจะฝักเงื้อขึ้นปาดลงมาที่พระสอด้วยน้ำพระไทยอันเด็กเดียวไม่ได้อะไรกับชีวิต ทันใดนั้นพระเทวีก็ปรากฏค่ะทันทีเลยอยืนประหัตมาจับพระกรของราชาไว้ตรัสว่าเอาเธอมหาราชข้าพอใจในการศีลสละของเจ้าแล้วจงเลือกขอพรตามปรารถนาเธอระราชาก็ตรัสว่าข้าแต่มหาเทวีโอ้พระโลกมาตาเป็นพระมารดาของโลกคือพระอุมาไงคะครับคือเรียกว่าพระเมสีของพระศิวะพราหมณผู้นี้จิตพักดีในพระองค์ได้กระทําพรีกรรมถวายแก่พระองค์มาช้านานแต่พระแม่เจ้าไม่ได้โปรดกาน แต่เพื่อข้าในเพื่งกระทํากีกรรมในวันนี้วันเดียวเดี๋ยวนี้เดียวเดียวเหตุไฉนพระแม่เจ้าจึงโปรดบานข้าถึงกับประทานพรให้ตามใจปรารถนาละ่ะพระธุรคาเทวีซุงยิม้มด้วยความเมตตาตอนพระอมหาราชพรามณ์ผู้นี้กระทํายันแย่พิธีให้แกเรามานานนับร้อยปีก็จริงแต่หัวใจว่างเปล่าไม่มีใจเปลี่ยมไปด้วยศรัทธาอันแท้จริง ด้วยเหตุนี้ข้าจึงม่ได้ปรากฏแก่เขายิ่งกว่านั้นยังมีคํากล่าวว่าการสังเวยที่กระทําเพียงแตะด้วยปลายนิ้วเอานิ้วประสานกันเฉยๆหรือกระทําด้วยความคิดอันเลื่อนลอยกระเจิดกระเจิง3 ส, สิ่งนี้จะให้ผลในปรีกรรมก็หาไม่คุณชมาเปรียบที่ว่าการทําสมาธิครับนั่งกันเป็นวันหลับตากันเป็นอู้โหทำสมาธิมือประสานกันครับนะคะ แต่ว่าถ้าใจไม่อยู่ด้วนการก็ไมไม่มีคนที่จะเข้าถึงพระเจ้าคิดหรือว่าเขาจะพบพระองค์ในกิ่งไม้ในก้อนหินหรือในภาชนะดินเผาเพราะพระเจ้านั้นสถิตอยู่ในหัวใจมนุษย์เพราะฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกะบูชาหรือคือหลางของขงบูชาอะไรก็แล้วแต่ไม่เท่ากับว่ามีพระเจ้าพระพุทธเจ้า แล้ในศาสนาศาสดาของใครก็ตามอยู่ที่ใจประทับ <ใจ S 2> อยู่ในใจค่ะครับมณวิเศษก็ดีติรธะติรธะแปลว่าเทวไลานะคะหรือสถานที่ที่ปร ะ, ประพฤติบุญญาตราคือที่ประกอบบุญทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เรียกว่าติรธะมณวิเศษก็ดีติรธะทั้งหลายก็ดีคือหมายว่าไม่ว่าจะเป็นมณเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์พราหมณเทวดาหมอดูโอสถหรืออาจารย์ครับ นะย่างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้เกี่ยวข้องเป็นใหญ่ใครเก่งกว่าใครใครเลิศเกาะใครใครได้ยอมการยอมรับกับเทพเจ้ามากกว่าใครอยู่ที่ใจใพระราชาตรัสว่าโอพระเทวีถ้าพระองค์ทรงเมตตาแก่ข้าแล้วไซส์ขอได้โปรดประทานพรแก่พรามด้วยเถิดพระโลกมาตาก็คือมารดาของโลกก็ตัสว่ามหาราชา ท่านช่างเป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นโดยแท้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่คนทั้งหลายคือคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองนะคะตัวท่านนี้ได้ประกอบบุญศ ล, ลกรรมอันยิ่งใหญ่แต่กลับยกประโยชน์ให้แก่คนอื่นโือตัวเองจะเป็นคนทําแต่ยกประโยชน์ให้คนอื่นมีคํากล่าวว่ามหาปรึกษาให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นแต่ตัวของมันเองต้องทนต่อแสงแดดอันแผดก้าและต้นไม้นั้นย่อมผลิตผลเป็นปกติ แต่หาใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่แท้จริงก็เพื่อผู้อื่นทั้งนั้นก็เพราะเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยแท้แม่น้ําจึงไหลไปในแดนต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยแท้แม่โคจึงให้น้ํานมอันทรงคุณค่าเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ต้นไม้ผลิตผลอันโอชาออกมาก็ทํานองเดียวกันสาธุชนก็ย่อมใช้พลังความสามารถของตนเพื่อผู้อื่นหาใช่เพื่อตนเองไม่ นี่เป็นการป่าศรุดีพระเจ้าวิกรละมาทิสนะคะคแล้วพระเทวีก็เลยประสาทพรแก่พราหมณ์เท่าตามความปรารถนาแล้วก็อันตรธานไปครับพระราชาก็เสด็จกลับพระนะครด้วยความอิ่มเอิบพระไทยจบเรื่องที่สองแม่นะครับเพราะฉะนั้นความเต็มที่ของความศรัทธาที่อยู่ในใจไม่ใช่หัวใจว่างเปล่าศักแต่ว่ามีพิธีกรรมหรือกระทําการใดๆไปโดยที่ไม่มีหัวใจใส่ลงไปเนี่ยมันไม่มี